FM 89.5 m ม z สร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรี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 592-1991 วิทยุราชมงคลธัญ บ, บุรี FM89.5 ปเุมกะเฮิร์ตเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต FM 89.5 มแสเมกะเฮิร์ตสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ บ, บุรี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 สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่ innovation for life นวัตกรรมเพื่อชีวิตนะคะกับดิฉันกุลกนิททองเงาเช่นเคยซึ่งวันนี้ดิฉันมาพร้อมกับมาร์กใยใหม่ค่ะต้านอนุมูลอิสระงานวิจัยจากมทรพระนครและก็นําเข้าสู่เชิงพาณิชย์แล้วนะคะรายละเอียดต่างๆเราจะพูดคุยกับดรสิริรัต น, น์พาณิชอาจารย์ในสังกัดกลุ่มวิชาเคมี K Me, สาขาวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เราจะได้มาพูดคุยกันนะคะว่าในส่วนของมาร์กใยไหมที่สามารถใช้ในการดูแลผิวหน้านะคะในรูปแบบของมาร์กนี้คุณสมบัติจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราจะพูดคุยรายละเอียดกันในช่วงหน้าค่ะ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 รายการ Innovation for Life ค่ะ Innovation for Life อย่างที่ดีฉันได้เกริ่นไว้นะคะวันนี้เราจะพูดคุยการเกี่ยวกับมาร์กไอยใหม่ต้านอนุมูลอิสระค่ะงานวิจัยจากมอรพระนครกับดรศิริรัตน์พาณิตค่ะอาจารย์สังขัดกลุ่มวิชาเคมีสาขาวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสวัสดีค่ะอาจารย์คะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นที่จะสอบถามมานะคะก็ขออนุญาตในในการสอบถามหรือว่าสัมภาษณ์เจ้าของงานวิจัยทุกๆกคนเลยก็จะถามถึงแรงบันดาลใจหรือว่าไอเดียที่มาในการคิดค้นมารนใหม่นี้ขึ้นนะคะค่ะจริงๆแล้วสําหรับไอเดียของการคิดค้นงานวิจัยเนี่ยมาจากคำคำหนงึงซึ่งนักวิจัยลหลายๆคนน่าจะเสพปวดกับคำคำนี้มากเลยค่ะก็คือคําว่างานวิจัยขึ้นที่ออืคืออาจจะ ได้ยินคำนี้แล้วมั น, ม, นมันก็ค่อนข้างเจ็บปวดหัวใจแต่ว่ามันก็เป็นกระจกสะท้อนเราเช่นเดียวกันว่าทำไมคนทั่วไปที่ไม่ใช่นักวิจัยถึงมองเราเช่นนั้นมันก็ กลับมาให้อาจารย์คิดว่าอาจารย์จะทํายังไงให้งานวิจัยของอาจารย์ที่อยู่บนหิ่งเนี่ยลงมาสู่ผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนจับต้องได้จริงๆแล้วก็ลบความคิดที่ว่างานวิจัยมันอยู่บนหิ่งเท่านั้นก็เลยหันกลับมามองงานวิจัยของตัวเองที่ได้ตีพิมพ์ไปแล้วในวารสารนะคะว่ามันมีอะไรบ้างโนอกที่จะมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ได้ที่นี้อาจารย์ก็ทําเกี่ยวกับสารต้านอนุมูลอิสระก็เลยคิดว่าโอ้มันน่าจะเข้ากับเครื่องสำอางอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์คัน มาร์กหน้าใยไหมอย่านี้ค่ะอืมค่ะจากผลิตภัณฑ์ที่แบบจากเรียกว่าถ้อยคําที่ค่อนข้างที่เจ็บปวดสําหรับนักวิจัยก็คืองานวิจัยขึ้นขึ้นหิ้งใช่ไหมคะอาจารย์แต่ค่ะอาจารย์ก็เลยอยากจะทําให้ไอ้ที่ว่าขึ้นหิ้งเนี่ยฉันจะทําให้เข้าไปสู่ห้างจะขึ้นห้างแล้วนะคะใช้ให้มันจีนลงมาจากหิ้งมาสู่มือของผู้บริโภคได้เป็นขึ้นค่ะค่ะอาจารย์ค่ะแล้วแล้วมาร์กที่ว่ามาร์กต้านอนุมูลอิสระมาร์กใ่ใหม่มันคืออะไรคะ คือจริงๆแล้วอ ย, อย่างที่บอกจริงๆไฮไลท์ของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะเหมือนกับมีพระเอกกับนางเอกอยู่ด้วยกันสองคนตัวที่เป็นพระเอกเลยก็คือเป็นใยไหมซึ่งเขาจะผลิตมาจากตัวไหม mm hmm. ในใยไหมนะคะเขาก็จะมีโปรโตีนที่ชื่อว่าเซลลซินเซริซินเนี่ยมีฤทธิ์ที่ช่วยในการสมานแผลมันเป็นโปรโตีนชนิดหนึ่ง ซึ่งก็ไม่ได้ไม่จริ ง, รงๆก็ไม่ค่อยสมัยเท่าไหร่ก็มีงานวิจัยลหลายๆงานวิจัยเนี่ยซัพพอร์ตเรื่องนี้แล้วอย่างเช่นเขามาทําเป็นแผ่นปิดแผลก็ทําให้แผลเนี่ยสมานตัวเร็วขึ้นทีนี้เรามีตัวของพระเอกแล้วเราก็เพิ่มหนังเอกเข้าไปก็จะเป็นสารสกัดที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระอย่างสูงเลยค่ะก็คือจะเป็นตัวของมะขามป้อมกับสมอซึ่งพอเขาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยเขาก็จะเสริมฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็มารวมกันอยู่ในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เดียวกันก็กลายเป็นแผ่นมาร์กหน้าตังเก่าเนี่ยแหละค่ะอืออาวจารย์ข่าวหม่ความว่าแผ่นมาร์กหน้าอาจารย์เนี่ยเอ่เอเรียกว่าผลิตใช่ไหมคะผลิตวัตถุดิบมันก็คือหลักๆ ก, ก็คือไอ้ไอ้ตัวไหมใยไหมตัวนั้นะนะคะก่อนที่ไหมในที่ไหมที่ว่านี่ก็คือที่เขาปลูกหมอญเลี้ยงไหมที่จะนําไปสู่การการทอผ้าอย่างนั้นหรือเปล่าคะตัวเดียวกันแต่ว่าก็จะเป เป็นตัวเป็นอีกพันหนึ่งที่พิเศษขึ้นมาค่ะเขาก็จะผลิตตัวใหม่ซึ่งเป็นสีทองเลยค่ะดังนั้นตัวแผ่นมาสตัวเนี้ค่ะก็จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับเส้นไหมสีทองเพราะว่าด้วยตัวของเขามันเป็นสีเหลืองเหลืองทองอยู่แล้วอะค่ะก็จะก็จะมีสีสันแต่นอกจากความสดุดของมันคือไอโซโปรตีนที่อยู่ในเส้นไหมนี่แหล ะ, ค, ะค่ะอือค่ะอาจารย์คะแล้วก็ผ่าเอกอย่างที่อาจารย์บอกก็คือตัวตัวไหมยยใยไหมแล้วก็ที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่ก็คือมะขามป้อมใช่ไหมคะ ใช่ค่ะแ้ก็อีกอันนึงคือสมอค่ะคิดว่างงจริงๆแล้วนี่มันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นภูมิปัญญาของไทยเช่นเดียวกันค่ะเราแค่เนื่องจากเราเป็นนักเคมีเนี่ยเราก็แค่พิสูจน์ว่าอันนี้คือความจริงจริงๆแล้วอะหลายๆคนอาจจะรู้จักตีพลาก็คือเป็นผลไม้สมุนไพรสามชนิดก็จะ ม, มีมะขามป้อมมีสมอไทยสมอพิเพกอย่างนี้ค่ะทีเนี้ยพออาจารย์เห็นสูตรเนี้ยก็เลยคิดว่าเออลองสกัดมันมาดูแล้วก็วัดความสามารถในการต้านอนุมตลอิสระดูซึ่ง ผลในทางห้องปฏิบัติการเคมีเนี่ยมันบอกว่ามันต้านอนุมูลอิสระได้เจ๋งมากมากกว่าวิตามินซีเนื่องจากในตัวมะขามป้อมเนี่ยก็มีวิตามินซีอยู่แล้วก็ก็ค่อนข้างเหมือนช่วยกันเสริมฤทธิ์ค่อนข้างเยอะเลยอะค่ะเราก็เลยใช้ผลไม้ที่เป็นสมุนไพรไทยเนี่ยสองตัวเนี้ยค่ะมาสกัดเป็นตัวนางเ อ, งเอกใส่เข้าไปในผลิตภัณค่ะก็คือมะขามป้อมกับสมอเนี่ยมันมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงทีงนี้เรารู้กันแลล่ะว่าไอ้ตัวสารอนุมูลอิสระ เป็นอย่างไรบ้างอยากให้อาจารย์ย้ำอีกครั้งสำหรับการต้านสารโน้ำนมอิสระสำหรับผิวหนังอะค่ะค่ะก็คือปกติแล้วในสภาวะทั่วไปในปัจจุบันของเราเนี่ยค่ะเราก็โดยเฉพาะสาวๆเราคงหลีกเลี่ยงพวกแสงแดดควันพิษมลพิษต่างๆอะไรแบบนี้ไม่ได้พอเราไปเจอมลพิษแบบนี้ค่ะ ที่ผิวหนังของเรามันก็จะสร้างตัวอนุมูลอิสระหรือว่าในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า free radical ขึ้นมาซึ่งอนุมูลอันนี้ค่ะเป็นตัวการเป็นตัวร้ายเลยค่ะเราเราต้องเรียกว่าเป็นตัวร้ายเราถึงต้องมีพระเอกนั้เอกประจัดการตัวร้ายอันนี้ค่ะก็จะทำให้ผิวหนังเนี่ยมีรอยเหี่ยวย่นหรือว่าแก่ก่อนวัยก็ทาให้เหมือนหน้าเราก็จะแบบเหมือนแก่ก่อนวัยเป็นควรที่นี้ถ้าเรา ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันมีสารต้านอนุมูลอิสระไอ้เจ้าสารต้านอนุมูลอิสระยกตัว อ, อย่างง่ายๆที่ทุกคนน่าจะรู้จกักดีก็อย่างเช่นวิตามินซีก็จะเข้าไปกําจัดหรือว่าต่อต้านอนุมูลอิสระตัวนี้ก็จะเหมือนกับเป็นการลดต้นเหตุทําให้ผิวหนังเราไม่ไม่แก่ก่อนวัยมันเกินควรนะคะอืมค่ะอาจารย์คะอย่างที่อาจารย์บอกว่ามีใ ย, ยไหมมีมะขามป้อมมีสมอเนี่ยที่มันเป็นเรียกว่าเป็ น, เ ป, นเป็นผลไม้เป็นพืช พ, พ, พ, พันธุ์ผลไม้ที่ ม, ทมีสารสมุนไพรขอขอภัยค่ะสมุนไพร ไทยที่ที่เรียกว่ามีสารต้านอนุมูอิสระสูงที่นี้ฉะนั้นเ ท, ท่าที่มองดูก็คืออย่างอย่า ง, อ า, งอาจารย์เนี่ยก็ก็คือสกัดใช่ไหมคะสกัดเรียกว่ามีสารสารสกัดเป็นสารตั้งต้นอย่างนี้ใช่ไหมค ะ, คะเพื่อที่จะเอามาผสมฉะนั้นการสกัดเนี่ยก็ต้องสามารถที่จะสกัดเพืชสมุนไพรไทยที่มันมากกว่านี้ได้ ที่นํามาประกอบได้ไดใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่ค่ะหมายถึงชนิดอื่นๆใช่ไ <ๆ S 1> หมคะไ<ต>ใช่ผลไมกใจริ ง, งๆแล้วไอเดียของงานวิจัยเนี้ยค่ะต้องขอขอบคุณสำํำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยซึ่งสมัยก่อนเราเรียกว่าสกว่ะค่ะสะกวเนี่ยเร่งเห็นความสําคัญของ สมุนไพรไทยก็เลยจัดตั้งโครงการมาโครงการนึ้งชื่อว่าไท f ฟ o d f ฟัง t i o n a l Food ซึ่งโครงการนี้ได้รับรางวัลระดับประเทศด้วยก็จะมีหลากหลายทีมงานวิจัยที่มาทำงานร่วมกันทีนี้พออาจารย์ได้ทุนนี้ค่ะอาจารย์ก็เลยมองหาว่าผลไม้หรือสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระที่สูง ก็เลยไปหามาหลายชนิดเลยล่ะค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นมะม่วงอ่มามะม่วงหามะนาวโฮหมากต้องแล้งหมา ก, กี้โกยแบบนี้ค่ะซึ่งคนเราอาจจะไม่ค่อยดูจักกันแต่ว่าเป็นผลไม้ที่อยู่ทางแถบภาคอีสานเอ่อทีเนี้ยในบรรดาที่อาจารย์ศึกษามาลหลายหลาชนิดเนี่ยอาจารย์พบว่าที่มันต้านอานุมูลอิสระได้สูงที่สุดมันคือเรียงลําดับเลยก็คือมะขามป้อมสมอเราก็เลยไป เลือกตัวที่เด็กๆเนี่ยคะ่ะเอามาทํำแผ่นมาร์กหน้าคะ่ะค่ะอาจารย์พอจะบอกกระบวนการได้ไหมคะสําหรับแผ่นมาร์กหน้าที่ประกอบด้วยยางไม้มะขามป้อมไหมคะค่ะค่ะเนื่องจากจริงๆก็ก็เป็นสิ่งที่จะเรียกว่าเป็นชาเลนจ์ในการทํางานวิจัยที่จะเอาวิจัยจากหิ่งลงมาสู่ห้างเลยคะ่ะ<ม>เพราะว่าด้วยกระบวนการผลิตอย่างเงี้ยถ้าถ้าเราทํางานวิจัยแล้วเนี้ยเราก็ เราต้องตีพิมพ์เปิดเผยใช่ไหมคะแต่พอเราทําร่วมกับผู้ประกอบการแล้วผู้ประกอบการ เ, เขาก็จะ ม, ม, มีมุมมองที่แตกต่างกับเรากระบวนการเลยทุกอย่างคือก็จะต้องเก็บเป็นความลับไม่อยงนั้นเขาก็จะถูกคู่แข่งเนี่ยค่ะเอาไปก๊อปี้หรือเรียนแบบได้ดังนั้นขั้นตอนนี้เรางจะไมบอกไม่ได้จริงๆค่ะค่ะังนั้นขอเปลี่ยนคําถามใหม่เอาเป็นว่า <c oughs> ปัญหาและอุปสรรคในการวิจัยพอจะบอกได้ไหมคะ <c oughs> ที S <S ่งๆอาจารย์ยไม่เรียกมันว่าปัญหาแล้วอุปสรรคอาจารย์คิดว่ามันเป็นความท้าทายแล้วมุมมองที่แตกต่างกันมากกว่าค่ะเพราะว่าเนื่องจากอาจารย์เนี่ยเป็นอาจารย์แล้วนกวิจัยเราก็จะคุ้นเคยกับการทำปฏิบัติการในห้องแลบมากกว่าที่นี้งานวินในใจัยเน่ยค่ะต้องร่วมมือกับผู้ประกอบการเพราะสุดท้ายแล้ว ไฟแนลของงานวิจัยนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ออกขายทางการค้าจริงๆเราก็เลยต้องมีการร่วมมือกับผู้ประกอบการผู้ประกอบการกับนักวิจัยก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกันอย่างเช่นนักวิจัยก็จะมุ่งให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงแต่เราลืมมองการตลาดไปว่าการตลาดมันจะเป็นยังไงหรือเราใส่สารตัวนี้มากเกินไปผู้บริโภคเขาจะหรือราคาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากเนี่ยค่ะ ก็เรียกว่าเป็นชาเลนจ์มากกว่าก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนกันจนได้จุดที่เรียกว่าเป็นจุดกึ่งกลางที่ดีทั้งผู้บริโภคแล้วก็ผู้ประกอบการผู้ขายด้วยออืค่ะอยากจะถามอีกในส่วนของกระบวนการการวิจัยค่ะระยะเวลาที่อาจารย์ใช้วิจัยจนถึงขั้นแบบตอนเนี้ยไ ด, ได้ได้มีการพูดคุยกับสถาน<อ>าประกอบการแล้วใช้ใช้เวลานานคแค่ไหนคะเค่ะคือจริงจงงานวิจัยชิ้นนี้นะคะก็หลังจากที่อาจารย์ได้รับทุนจาก ไทยฟู้ดฟังชั่นัลฟู้ดแล้วก็ตีพิมพ์งานวิจัยไปแล้วหนึ่งฉบับเนี่ยคะ่ะปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้คะ่ะออกทางการค้าแล้วแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนเร่งการเติบโตของของธุรกิจนวัตรกรรมรายใหม่ใ น, mm hmm. ในอุตสาหกรรมเป้าใหมค่ค่ะหรือเรียกสั้นๆว่า r ร mm ีเสิร์ชแกะฟันซึ่งทีนี้ต้องขอบคุณทางรัฐบาลมากที่เล็งเห็นความสําคัญและเอางานวิจัยจากที่เนี่ยลงมาห้างจริงๆก็ทางทุกนี้เป็นของสํานักบริัท วิทยาศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์นะคะเขาก็กจะสัดส่วนจ5ส่วนผู้ประกอบการก็ต่ออกีก25ก็ต่อมาเป็นผลิตภัณฑ์เหมือนกับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการได้มีผลิตภัณฑ์ขายสู่ท้องตลาดซึ่งมาจากงานวิจัยที่น่าเชื่อถือและก็รับรองได้ะคะ่ะดังนั้นเราก็ถึงบอกว่ากระบวนการต่างๆอาจจะต้องเป็นความลับเพราะว่าเขามีการลงทุนจากผู้ประกอบการด้วยะ ค, ะค่ะค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยงานของอาจารย์เนี่ยได้เผยแพร่ไปในสื่อต่างๆตอนนี้ฟีดแบ็กเป็นองไรบ้างคะ ก็คือฟ <feedback> ี edback ก็คือจริงๆถ้าเป็นเรื่องของฟี edback เนี่ยเดี๋ยวทุนเขาก็จะมีการติดตามผลอาจารย์ก็ยังพอพอเสร็จทางด้านการวิจัยแล้วก็ก็ยังไม่ได้ติดตามผลคือจะมีการติดตามผ ล, มมผ ล, มมผลน่าจะเก้าเดือนก็น่าจะเป็นปลายปายปีเนี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนื่องจากร่วมกับผู้ประกอบการเนี่ยค่ะผู้ประกอบการเขาก็ต้องมีการทําการวิจัยทางการตลาดแล้วเราพบว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ ถ้าไปขายที่จีนเนี่ยก็จะอาจจะแบบดีดีกว่าที่จะขายที่ไทยนึงอาจจะด้วยความสนใจของผู้บริโภคซึ่งปัจจุบันนี้คนจีนเนี่ยมาซื้อผลิตภัณฑ์ของไทยเยอะมากเขาก็มีการทำสซ r v e i ว่าทําไมถึงไม่มีมากสกหน้าจากไทยเลยทำให้ที่ไทยเนี่ยเป็นแหล่งของสมุนไพรไทยเราก็เลยไปจดออขอออยยอที่ประเทศจีนแล้วก็มุ่งไปทางการทางจีนมากกว่ า, าจจะอยู่ในกระบวนการขายหรือว่ารอจดจดแจ้งเนี่ยค่ะอาจจะช้านิดนึงค่ะ อาจารย์คะในแน่นอนหละว่าในขั้นของการทำวิจัยค่ะมันจะต้องมอีการวิจัยทดลองใช้มาร์กใ่ญ่ไหมเป็นเป็นอย่างไรบ้างคะในช่วงในช่วงผลของการทดลองค่ะค่ะก็อันนี้เสร็จสิ้นไปแล้วค่ะสำหรับการทดลองก็คือเราจะต้องมีการทาการทดลองกับอาสาสมัครตอนแรกก่อนที่จะไปกับอาสาสมัครเนี่ยค่ะ<ม>ก็จะมีการทดลองในห้องปฏิบัติการก่อนเช่นทดสอบความเป็นพิษ ว่ามันเป็นพิษต่อเซลเพราะที่เราพเพาะเลี้ยงมาในจานพอเชื้หรือเปล่าหรือว่ามันมีลินในการสมานแผลจริงจริงไหมเลือมลิ้วรอยหรือเปล่าต้านอนุมูลอิสระหรือเปล่าซึ่งเป็นหน้าที่ที่อาจารย์ทำเองหลังจากนั้นพอเราเช็คแล้วว่ามันไม่มีพิษต่อมนุษย์ไม่มีการระคายเคืองเราก็เริ่มให้อาสาสมาัคร ที่เป็นคนจริงๆเนี่ยค่ะใช้ก็มีการลองทดสอบดูว่าพอใช้แล้วเอาสาสมัครมีการระคายเคืองไหมหรือว่ามีการสมมติว่ามีแผลมันสมานแผลได้จริงหรือเปล่าริ้วรอยลดเลือนหรือไม่หรือว่าความชุ่มชื่นเพิ่มขึ้นหรือเปล่าซึ่งก็ทั้งหมดนี้ก็ก็ให้ผลค่อนข้างทีด่ดีค่ะเราก็เลย mm hmm. ได้เป็นผลิตภัณฑ์ออกมา ค่ะอาจารย์คะพอจะสะรุปได้ไหมคะว่ า, าผลหรือว่าคุณประโยชน์หรือคุณสมบัติของมาร์กใยไหมที่อาจารย์พัฒนาขึ้นเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะคะที่เด่นๆนะคะค่ะค่ะก็ถ้าให้เด่นๆเนี่ยนาะจะมีทั้งหมดสี่ประเด็นค่ะหนึ่งเลยก็คือจะให้ความชุ่มชื่นหลังใช้เนี่ยก็จะมีความชุ่มชื่นทันทีแน่นอนค่ะเก้าสห้าเปเซ็นลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ทําให้หน้า ขาวกระจ่างใสได้ลดรอยแดงแล้วก็มีฤิ์ในการสมานแผลนยมากกว่าวิตามินซีค่ะอืมก็คือเป็นทีช่ชื่นชอบสำหรับคนที่รักสวยรักงามผิวพรรณผิวหน้านั่นแหละทั้งหญิงและชายต้องบอกเลยนะคะที่นี้<อ>ในส่วนของการนำออกสู่ห้างหรือว่าขึ้นห้างหรือออกสู่ท้องตลาดราคามันจะเป็นยังไงคะจะ จะจะเข้าถึงได้ไหมคะจะแพงไหม <c oughs> อะไรานถามแทน <c oughs> ถามแทนค่ะอย่างอย่างที่อาจารย์บอกค่ะคือตอนแรกที่ Start Project เนี้ยค่ะก็ต้องบอกว่าอย่างที่มันเป็นชาเลนจ์ของอาจารย์เลยเราเนี่ยเป็นนักวิจัย อ, อยู่ในห้องวิจัยเราต้ไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านการตลาดเราเรียกว่าเป็นวิสเนตของนักวิจัยเลยเราก็ไม่รู้ว่าทําผลิตภัณฑ์ไปแล้วเราจะขายใครที่ี้ถึงแม้ว่าอยู่ในห้องวิจัยเราอาจจะใช้สกัดจากสมุนไพรอย่างดีผลิตภัณฑ์เราดีเยี่ยมเลย แต่ถ้าผู้บริโภคเขาไม่ได้ให้ความสนใจหรือมันราคาสูงเกินไปมันก็คงจะขายไม่ได้ค่ะ hmm. ทีนีออ้อย่างที่บอกค่ะเราทำเซอร์ว์มาแล้วว่าขายที่จีนเนี่ยน่าจะดีกว่าเรื่องจาก hmm. ขายที่ไทยเนี่ยราคาจะแพงเกินไปปัจจุบันนี้ถ้าเราเข้าที่วัสัาเราก็จะเห็นว่ามันมีแผ่นมาหน้าเยอะมาก hmm. แล้วก็ดูนกีก็ราคาค่อนข้างถูกที่เราผลิตตัวนี้ขึ้นมาค่ะตีนของเราหลากัหลกๆเลยก็คือทามาจากสมุนไพรไทย ก็จะเป็นที่ที่ชอบของคนจีนคนจีนเนี่ยเวลาที่เขามาท่องเที่ยวประเทศไทยเรากไปทำเซอร์วีว่าเขาซื้ออะไรกลับมาที่สุดแล้วเขาต้องการอะไรปรากฏว่าเขาอยากได้แผนมาสก์หน้าที่มันมีเหมือนเป็นสัญโัของสมุนไพรไทยนะคะเราก็เลยคิดว่าไปเจาะตลาดที่จีนส่วนราคาเนี่ยถ้าสนใจยังไงจริงๆอาจจะต้องไปติดต่อกับผู้ประกอบการค่ะดี๋ยวให้ข้อมูลได้ว่าผู้ประกอบการคือใครค่ะอต้องบอกว่า ผลิตภัณฑ์ของอาจารย์เนี่ยนอกจากว่ามันจะได้นวัตกรรมที่เป็นมาร์กใหญ่ใหมที่ผสมผสานไปด้วยสมุนไพรไทยคือมะขามป้อมกับสมอแล้วเนี่ยสิ่งที่จะได้ตามมาก็คือเกษตรกรที่มีเรียกว่าสมุนไพรตัวนเนี้ยเนี่ยเขาก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับมะขามป้อมกับสมอได้เนาะใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใชค่ะค่ะก็ถือว่าได้ได้ทั้งในส่วนของอในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ที่ ที่เรียกว่าผลิตเป็นนวัตกรรมจำหน่ายและและก็กระตุ้นรายได้ให้กับเกษตรก ร, กรได้ด้วยถ้าหากว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ต้องบอกว่าถ้าไปจำหน่ายที่จีนแล้วก็ได้รับความนิยมจริงๆต้องบอกว่ากลุ่มผู้บริโภค ข, ของจีนมีจำนวนมหาศาล ถ้าไปติดตลาด<ช>ที่นั่น<ช>นี่<ช>โอ้โหถ้าซื้อคนละหนึิ้นนี่ก็<สถ î><แค>ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วค่ะใช่ใช่ค่ะก็ก็หวังว่าหวังว่านะคะว่าผลิตภัณฑ์ที่อาจารย์พัฒนาขึ้นเนี่ยจะสามารถไปตีตลาดที่ประเทศจีนได้เพราะว่ามันนํามาซึ่งการกระตุ้นเพิ่มมูลค่า ข, ของพืชสมุนไพรไทยด้วยอย่างมะขามป้อมกระสมองจะได้มีราคาขึ้นเพราะต้องบอกว่ามะขามป้อมเด็กๆรุ่นใหม่อาจจะจะไม่เคย ทานอาจจะไม่เคยรู้จักแล้วอืเวลาเวลาเกษตรกรหรือใครที่ปลูกมะขามป้อมเอามาขายก็แบบขายกันถูกมากใช่ไหมคะอาจารย์ใ่ค่ะใช่ค่ะจรค่ะก็ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือแต่สมอนนี้ต้องขออนุญาตว่าไม่ไม่ยังไม่เคยเห็นไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นไงอันนี้อันนี้พูดบนรายการเคยเคยทานแต่มะขามป้อมมะค่ะอืมก็คล้ายคล้ายกันค่ะเป็นพืชตะกูล หายการเป็นลูกกลมๆเหมือนกันอ๋อค่ะค่ะก็ก็หวังว่านะคะผลิตภัณฑ์ของอาจารย์จะจะเรียกว่าไปตีตลาดได้นะคะแล้วในส่วน อ, อยากให้อาจารย์ สรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนของใครที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วมีข้อสงสัยหรือว่าสนใจจะติดตามหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของในแง่ของงานวิจัยนะคะจะสอบถามติดต่อได้ที่ไหนอย่างไรคะ่ะรวมถึงความคาดหวังของอาจารย์และทีมงานสำหรับงานวิจัยมาร์กย่ยใหม่นี้ด้วยค่ะสิ่งนึงที่อยากจะฝากอยากเป็นกาลังใจให้กับนักวิจัยทุกๆคนนะคะ ก, ก่อนที่สตาเตางานวิจัยลงจากที่เนี่ยค่ะมันเหมือนจะมีชาทายค่อนข้างเยอะ ก, ก็อยากเป็นกำลังใจแล้วก็กจะบอกว่ามีหลายๆหน่วยงานที่สนับสนุนในการนี้ ในตัวของผลิตภัณฑ์นะคะหากสนใจอย่างที่บอกเรายังไม่ได้คิดว่าจะขายในไทยแต่ว่าขายในประเทศจีนแต่อาจจะมีการคุยกันได้ซึ่งอาจจะไม่ใช่หน้าที่ของอาจารย์ก็ไปสามารถติดต่อกับผู้ประกอบการได้โดยบริษัทที่ขายนะคะก็สามารถติดต่อชื่อคุณหญิงจังสีบริษัท global vision ค่ะก็เสิร์ชจาก Google ไปน่าจะได้ก็อยากให้หลายๆ ห, หน่วยงานนะคะหันมาเห็นความสัมพันธ์ของสมุนไพรไทยซึ่งอะไรที่จริงๆแล้วประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีเนี่ยสนใจสมุนไพรไทยเป็นแหล่งตลาดอย่างดีแต่สิ่งที่เราขาดอาจจะเป็นงานวิจัยที่ไปรับรองว่าของของเราเนี่ยมีดีจริงๆเพราะว่าเราแค่พูดโดยที่ไม่ได้มีวิทยาศาสตร์มารองรับมันก็ทำให้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือค่ะผลจากห้องแล็บหรือห้องปฏิบัติการเนี่ยจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่า ค่ะก็ครบถ้วนชัดเจนนะคะทําให้เราได้รู้จักกับนวัตกรรมมาร์กใหญ่ใหม่ซึ่งมีการมีส่วนผสมประสานของพืชสมุนไพรไทยด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ดรสดิริรัตน์พานิดค่ะอาจารย์สังกัดกลุ่มวิชาเคมีนะคะสาขาวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคลพรนครที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการ Innovation For Life ในวันนี้ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ ค่ะยินดีค่ ะ, คะและในวันนี้ค่ะเวลาของทางรายการ Innovation for Life ก็หมดลงแล้วดีฉันคุณก น, นิษฐทองเงาพร้อมด้วยอาจารย์ดรสิริรัตน์พาณิชย์ก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ ะ, คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการ Innovation for Life รับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th